เออวันนี้รับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งพวกเราทุกปีที่ผ่านมาเมื่อหลวงตายังทรงทาต์ขันอยู่หลวงปู่พระอุดมยานโมลีที่เป็นประธานสงฆ์ต่างฝ่ายบ้านเมืองได้นําพระลูกพระพระอรหันทั้งหลายเข้ามากราบคารวะองค์หลวงตาสืบเนื่องมาหลายปี แบบเมื่อปีที่แล้วหลวงตากา็ได้จากไปแต่พวกเราก็ยังทำอย่างสืบเนื่องอยู่พอมาปีนี้ก็คงจะทำอีกอย่างเก่าเมื่อเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำแล้วก็แปดค่ำทุกปีแรมแปดค่ำทุกปีเมื่อเข้าพรรษาไดา้หนึ่งหนึ่ ป, ปดาหรือหนึ่งวันพระ พวกเราก็ได้มารวมกันทำคารวะหลว ง, งตาเป็นประจำแต่ปีนี้ทราบข่าวว่าเจ้าพระคุณพระโดมยานโมลีอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลจุลากรุงเทพก็ท่านคงไม่ได้มาวันนี้มีแต่พระลูกพระหลานครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระหลายระดับที่มาร่วมกันแล้วก็คงจะทำพิธี คารวะองหลวงตาพร้อมกันอันนี้ก็คือพิธีหลักส่วนพิธีต่อไปก็เมื่อเราคารวะองค์หลวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอนมนุมมนครูบาบารมีทุกๆองค์รอคอยนะเพื่อจะทำพิธีทอดผ้า ป, ป่าสามัคคีผ้า ป, ป่าสามัคคีวันนี้ก็คืออันอันสืบเนื่องมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลสังฆปรินายกผมก็เรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะ <c oughs> คือท่านสมเด็จพระวรรณรัตผู้รักษาผู้รักษาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรท่านปารพ่าเจ้าพกลสมเด็จท่านไปสร้างโรงพยาบาลอยู่ที่การจะนทบุรีคือบ้านมาตุภูมิคือบ้านเกิดของพระ อ, องค์ท่าน แต่นี่สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมา8ชั้นแต่เดี๋ยวนี้ยังขาดอุปกรณ์การแพทย์เ่เป็นจำนวนมากนะคิดเป็นเงินออกมาก็ประมาณ200ล้านเพราะอาคาร8ชั้นแล้วก็ท่านเจ้าพระคุณพระวันรัตท่านก็เห็นว่าน่าจะคณะสงฆ์น่าจะมีส่วนร่วมจึงได้ไปทุนพระเทพนะพระเทพไม่ใช่ฟ้าหญิงองเล็กนะ คือพระเทพเคอเข้าไปทุนพระเทพพระเทพก็เป็นประธานประธานฝ่ายบ้านเมืองที่จะหาทุนจุดนี้แล้วก็ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวรนรักษ์ท่านก็ได้ปาลารอบกับเจ้าคณะภาคภาค8ของพวกเราภาค8ก็คือภาคของเราเนี่ยแะก็มีจังหวัดอุดร น, น้องคายบึงกาญจกว น, นครน้องบัวลำโพงจังหวัดเลย6จังหวัด แต่กลัมาไประชุมกันหลายครั้งที่สลากลางจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยแล้วก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด6จังหวัดมาร่วมไปชมแล้วก็คณะเจ้าคณะจังหวัด6จังหวัดมาร่วมไปชมแล้วก็ลงมติเป็นเอ ก, กฉันเดี๋ยวว่าขอร้องให้มีการจัดผ้าป่าเพื่อสมทบหาเครื่องมือแพทย์ช่วยกาบเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราช พวกลูกหลานทั้งหลายก็เห็นพ้องต้องกันท้งนี้ทางที่ประชงก็ได้เลือกวัดป่าบ้านตาแห่งนี้ขวบวัดป่าแห่งบ้านตาเนี่หลวงตาของเราเจ้าพระคุณสมเด็จสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มก็ไปมาหาสู่กันไปมาหาสู่กันเป็นเป็นสหายสหายธรรมกันเพราะอายุก็ไล่เลี่ย ก, กันคือหลวงตาก็อายุปีเดียวกันกับสมเด็จพระสังฆราช ลงตาในเกิดก่อนสมเด็จพระสังฆราช23เดือนฮะลงตาเราเกิดเดือนสิงหา เ, เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเกิดเดือนตุลาห่างกันหน่อยเดียวฮะแต่นี้เจ้าพระคุณลงตาของเราได้จากไปแต่นี้ก็คณะสิทธิญาณวิสิ์ลูกหลานว่าสมควรจะมาจัดผ้า ป, ป่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้โรงพยาบาลพญาพ่อหน ผลพยหาหะใค้เข้าโรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังขาดคุทรัพย์อยู่คณะพระสงฆ์หรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์สุดใจทันตมโ น, โนที่เป็นเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นสหธรรมิกหรือว่าเป็นที่รู้จักมักคุนสมัยก่อนหน้านี้เมื่อสมัยท่านเป็นพระยังนมสมัยเป็นสาธารณโภพ ท่านก็เคยมาที่นี่ผมเคยเห็นสมัยผมเป็นพระน้อยหนุ่มสมัยผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ท่านก็มาพักพักข้างแรมอยู่ที่นี่หลายคืนก็พวกเราเห็นแล้วก็เจ้าคุณสมัยนั้นศาสนาโสเพิ่มกะหลงตาเนี่ยก็รู้สึกว่าท่านรู้จักมักคุ้นกันใครเขาว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพูดกันเหมือนกับพี่น้องกันเพราะเคยอยู่ด้วยกันลักษณะอย่างนั้นแต่พอมาถึงจุดนี้ เจ้าพระกูลสมเด็จท่านอยากจะได้ลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระวรนรัตเห็นว่าน่าจะหากกระมปัจจัยเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่ อ, เ, อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลต่ อ, อสมเด็จพระสังฆราชอายุร้อยปีร้อยพระสันศ่าปีนี้พวกเราก็ถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่ได้ ทําบุญกับองค์เจ้าพ่อขุนสมเด็จเพราะพวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายก็สองพระองค์ก็เป็นสหธรรมิกันอย่างที่ผมได้กล่าว เ, เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่มาร่วมกันที่มาในวันนี้อย่างน้อยก็ให้ได้ร่วมทําบุญกับเจ้าพระขุนสมเด็จพระสังฆราชอายุท่านร้อยปี มีที่ไหนพวกเราเคยทำกับองค์ท่านไหมพวกเราเคยทำกับองค์หลวงตานะพวกเราเคยทำแต่กับองค์หลวงตาแต่บัดนี้พวกเราได้ทำกับเจ้าพระคุณสมเด็จแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงตาในท่านช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมันท่านไม่ใช่ว่าท่านจะช่วยแต่จังหวัดอุดรแห่งเดียวทั่วประเทศอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็จะช่วยโรงพยาบาลพญาพาอหล การจนัน บ, บุรีเมื่อท่านช่วยแล้วก็ไม่ใช่ของท่านอีกท่านอายุถึง100ร้อยพันษาแล้วเนี่ยท่านเพื่อให้ใครถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเราไปเดินไปเที่ยวจังหวัดการจนัน บ, บุรีจะไปเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นจัทไทยญาติโยมผู้ใดก็ตามก็เข้าโรงพยาบาล เ, เจ้าพ่อคณจอมเด็ดได้เพราะเหตุ อ, อะไรเพราะเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นโรงพยาบาลเป็นของใคร ไม่ใช่ของเจ้าพระกุลสาเร็จนะคณะทาญาิโยมลูกหลานพระเนรทุกองนะเป็นของพวกเราทุกคนเป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มาถึงวัดป่าบัณตารแล้วขอให้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวีทิตาตัวองหลวงเจ้าพรกุลสมเร็จทุกองคหลวงตาของพวกเราควรจะมีจะตุปใจัยคนละมากคนน้อยก็ไม่ว่ากันเนอะตอนบ่ายบ่ายสี่โมง ทูลกระหม่อมฟว้าหญิงจุราพรวรรยลักษอัคราชุกมารีแต่สเสด็จมาที่วัดป่าบ้านตาแล้วก็พร้อมกันสมเด็จพรวันรัตที่ช่วยเจ้าเจ้าอาวาสวัดบวรแล้วก็เป็นคณะใหญ่ธรรมยุทธมหาเถระสมภูตตำแหน่งของท่านมากนะสรุปแรกก็คือเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในวงธรรมยุทธ์ของพวกเรา เาะนั้นพระลูกพระหลานที่ยังไม่เคยพบเคยเห็นได้เคยกราบท่านก็ขออ น, นตนมห้อยู่ต่อแล้วก็ผมเองอยากจะต่อเรื่องอีกนะเอเจดีของหลวงตาของเราเนี่ไปถึงไหนแล้วนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกคงที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็คงอยากจะทราบเหมือนกันว่าเจดีของหลวงตาไปถึงไหนแต่ตามที่จริงเจดีของหลวงตาดำเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ครับผมผ ม, ผมเองก็ ในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานขององหลวงตาผมเองก็ไม่ได้ลดละในเมื่อคณะสงฆ์ม อ, อบหมายว่างานนี้เราจะให้ใคร เ, เป็นประธานฝ่ายคารวะก็เป็นลงมติกันเป็นการภายในแล้วว่าเป็นการที่ลูกทีลูกหาพระผู้ใหญ่ก็เห็นว่าสมควรว่าควรจะมอบให้ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเพราะว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงท่านเรียกองค์หลวงตาว่าท่านพ่อ ท่านพ่อแต่หลวงตาเรียกทุนกระหม่อมหญิงจุลาภรณ์ท่านว่าทุนกระหม่อมโลกทุนกระหม่อมโลกแล้วก็ท่านพ่อพวกเราคิดดูซิว่าท่านพ่อกัโลกในเมื่อพวกเราในฐานะประสงค์ในกรลูกหลานพระสงฆ์ตลอดถึงทิสุสัมณุบาสรงอุบาสิกาทั้งหลายก็ควรจะเชิดชูและว่ายกให้พระ อ, องค์ท่านเป็นประธานการสร้างพระเจดีย์ทางฝ่ายคารวะ แล้วก็พวกเราก็ได้ยกให้ท่านเมื่อท่านได้รับแล้วท่านก็มอบให้แก่ลูกสาวของท่านคือลูกสาวท่านคือเรียนอยู่ที่กรมศิลปากรนะมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพนะแล้วก็สมัครแล้วว่าเอาคูบาอาจารย์ของท่านนะมาออกแบบทีนี้ก็มีหลายๆท่านมาออกแบบแต่มีพระองค์เจ้าจิริภาจุภาภรณ์ที่เป็นลูกสาวของ ว้าหญิงเป็นเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ดูแลในการเขียนแบบออกแบบพระเจดีย์จากนั้นก็ได้ออกแบบมาแล้วนะอย่างที่ศาลาข้างนอกนี่แหละเห็นเนี่ยที่พวกเราเห็นก็คือเจดีย์องค์หลงตานะแต่ที่เมื่อเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาคือออกแบบเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะใช้วัสดุอะไรที่จะสร้างพระเจดีย์ก้อนองค์ลงตา แล้วก็มาถามนะทางคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ทังพระทางพระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรคือคือพระหญิงไม่ได้เสด็จแต่ลูกสาวของท่านนะเสด็จมาพร้อมกับพระสหายทั้งหลาย mm. ก็มาถามมีหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อสุดใจที่นั่งแล้วก็อยากจะมาถามหลวงพ่อสุดใจนะั่นแหละว่าการสร้างพระเจดีย์ครั้งนี้จะใช้หินอะไรเพราะว่า เราจะใช้วัตถุอะไรที่จะสร้างเจดีวงลงตาท่านก็ถามว่าถ้าหากว่าหินไทยก็ได้หินขาวไทยก็ได้หรือ ว, ว่าหินอิตาลีไว้เคลาลาภาษาอังกฤษเขาว่านะไวเคลาลาหินไว้ก็คือสีขาวเคลาลาก็คือหินหินประเทศอิตาลีแต่นี่เราก็หลวงพ่อเองก็ท่านสุดใจก่อนพระอาจารย์จุดใจท่านก็นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อน่หลวงพ่อก็เป็นผู้ถามว่าหินสองอย่างนี้ มีคูณค่าและพอดีต่างกันอย่างไรหินไทยกับหิ น, ห, นหินอิตาลีท่านก็อธิบายให้ฟังว่าหินขาวไทยเนี่ยถ้าหาว่าเราใช้ไปประมาณ 10-20 30-40 ี่ปี เ, เ่มันหินและจะมันจะด้านหินด้านด้านกันกล้า น, า น, า น, า น, านแล้วต่อต่อไปภายภาคหน้าเวลาฝนตกมันจะเชาะเป็นทางเป็นร่องเพราะมันเป็นลักษณะหินอ่อนมันจะเป็นแซนน้ำลักษณะอย่างนั้นนะภาษาบ้านเรานะ เป็นทางน้ำลงมาจากเจดเีเพราะว่ามันเป็นหินอ่อนแต่ถ้าว่าเป็นหินอิฐเต้เนี่ยถึงร้อยปีอย่างที่อะไรที่นั่งพระอนันต์อนันตะที่กรุงเทพนะถึงร้อยปีเดี๋ยวนี้ก็ยังมันอยู่ยังยังมีสีสันยังมันอยู่ยังสดใสยอยู่เพราะนั้นท่านอาจารย์จะเอาหินอะไรหลวงพ่อก็ได้ตอบก่อนเลยว่าสำหรับองค์หลวงตาแล้ว จะต้องเอาหินดีที่สุดในความเห็นของหลวงพ่ออันไหนเป็นของดีเอาอันนั้นหลวงพ่อก็เลยถามว่าหลวงพ่อจุดใจมีความเห็นว่ายัางไงหลวงพ่อจุดใจก็บอกว่าเอาอย่างที่หลวงพ่ออินพูดเออเอาหินดีที่สุดอ่ะก็เปิดว่าเออเอาตกลงเอาหินอิตาลีไว้แคลลาลาอันนี้อันนี้ก็เลยตกลงกันอันดับแรกพอต่อมาเนี่ยก็ยกเอา เจดีเอามาไว้ข้างนอกนี่เอามาตั้งไว้นะี่เอามาโชว์ไว้ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่นี้ต่อมาหลวงพ่อก็ได้ถามทางอาจารย์บอกว่าการดำเนินงานเจดีไปถึงไหนแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เมื่อถามเมื่อเมื่อลงไปกรุงเทพเมื่อทอดผ้าป่านะบอกว่าเจดีลงตาเนี่ยพร้อมที่จะประมูลได้พร้อมที่จะลงมือได้ท๊อเสร็จทุกอย่างแล้วร0 0เซนะ แต่หลวงพ่อก็ถามว่าพวกเราจะดำเนินการยังไงต่อไปทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปกรและฝ่ายพระ ส, สงฆ์ก็เห็นพ้องต้องกันว่าถ้าหากว่าเราจะลงมือหรือว่าหาผู้รับเหมาเฉลยก็เป็นการคับแคบเกินไปควรจะทูลเชิญทูลทูลเชิญก็ผู้หญิงองค์เล็กคือเป็นลูกสาวขาององค์หลวงตาออกมาถแถลงข่าวแค่ว่าออกมาถแถลงข่าวก่อน บอกว่าเจดีลงตานห่งสร้างแน่ห่สร้างที่ตรงนี้แลูปลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นแหละหคล้ายๆว่าให้สื่อต่างๆมีข่าวโทรวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์จะได้มาออกข่าว เ, เพื่อจะกระจายข่าวให้กว้างขวางในการสร้างพระเจดีองค์ลงตาในเมื่อถแถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็สร้างแน่และทีนี้จะได้จะประกาศหาผู้รับเหมา แล้วก็เพื่อประกาศหาผู้รับเหมาผู้รับเหมามาแข่งกันมาสู้กันแต่ผู้รับเหมาเราก็ได้พูดกันว่าต้องเป็นบริษัทที่มหาชนจำกัดระดับนั้นแหะมาสร้างที่ดีลงตาเออเราก็ไม่คิดว่าจะไม่เอาบริษัทที่โนเนียมโนเน ม, มเราจะไม่เอาเอาบริษัทที่มหาชนจำกัดคล้ายๆบริษัทที่มีชื่อเสียงที่มาจะมารับเหมา อ, อันนี้เราคิด พูดกันนะแต่เมื่อเราหาได้บริษัทแล้วจากนั้นเราจึงจะมีการประกาศให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานวางศิลาฤกตต่อไปจากนั้นเมื่อสร้างศิลาฤกตแล้วพวกคณะช่างเขาก็ทำํำพวกเราก็ก่อนที่จะลงมือทำํำ เ, เราก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้ชัดเจนเว่าใครจะอยู่ในหน้าที่ตาแนหน่งไหน อย่างไรเหมือนกับเราจะเล่นฟุตบอลอย่างงั้นแหละต้องมีโกมีแบ็กซ้ายมีแบ็กแต่มีปีกซ้ายปีกขวากองหน้าอย่างนั้นขนาดอันนี้การสร้างพระเจดีย์องค์ลงตาก็เหมือนกันให้ชัดเจนให้อยู่อยู่ในตำแหน่งไหนไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ต่างคนต่างพูดต่างคนต่างทําเดี๋ยวก็งานจะไม่เดินอันนี้ก็คือเราได้พูดกันแต่เนี้มาพูดถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์ที่นี่ เรื่องพิพิธภัณฑ์ตามไม่จริงองค์หลวงตาของเราเมื่อท่านยังทรงท้าขันอยู่หลวงพ่อในระองค์หนึ่งกับคณะสงฆ์ประมาณเกือบ20องค์ขึ้นไปกล่าวเปลี่ยนท่านเพราะอากาศประหลาดนาองค์หลวงตาพวกคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอยากจะสร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตาเพราะว่าองค์หลวงตาอนุญาตให้เท่าแก่สมหมายจังหวัดร้อยเอ็ดทําไปแล้วตั้งชื่อว่าเจดีย์มหามงคลบัวคือองค์หลวงตาเป็นผู้ ประธานชื่อให้เป็นผู้มอบชื่อให้แต่วัดป่าบ้านตาดจะไม่มีอะไรเลยก็คงจะไม่ดีกับมั่งแต่ที่แรกพวกเราตุตุบ ต, ตอมตอมเหมือนกันกลัวลงตาใครจะไม่กลัวลงตาถามดูสิเดี๋ยวนี้ใครใครก็กลัวทั้งหมดใช่ไหมไอ้หลวงพ่อเอ็นนี่ก็ยิ่งกลัวใหญ่ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งกลัวแต่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ขอองค์ลงตาต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะสงสัยว่าทําไมเราไม่ขอ ท่านจะให้หรือมาให้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่ขอบางทีท่านอาจจะให้อยู่ก็ได้แต่เนี่เราก็คือม า, มาคิดมามาม า, มาถกกันในขณะนั้นจากนั้นเราก็เข้าไปกราบปรารัธนาท่านท่านก็บอกว่าอย่าโยงนะเรื่องเจดีเราไม่อนุญาตเราไม่ให้ทําเพราะว่าเราทําคุณประโยชน์ให้แกโลกมากต่อมากอย่ามาหายุ่งเรื่องของเราอย่าไปคิดนะ แต่ได้เราก็บองหน้ากันพอแผลบพอแผบวันนั้นนะทั้งพระสงฆ์เกือบยี่องค์จากนั้นเราก็ถอยออกมาพอามากับพูดกันกระจบยไปนพอมาอีก 2-3-4 สามสี่วันให้หลังท่านมาฉันจังหันที่นี่แหละที่นั่นนั่งอยู่ตรงนี้แหละท่านก็บอกบอกว่าถ้าเนี่ยได้ยินว่าจะมาสร้างเจดีย์ให้เราจะสร้างเจดีย์เรายัางสร้างเพื่ออะไรเราไม่เห็นด้วยสร้างเจดีย์พอสร้างขึ้นมาแล้วก็มีคนขึ้นมากับปลกปลกปลก อธิษฐานอะไรภูมผุ่มิอมพอมผุูมผุ่มพอมเสร็แล้วก็เปิดไปไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถ้าสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์ผลงานของเราเราทําผลงานให้แก่ประเทศให้แก่โลกธรรมเทศนาของเราเราสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเท่าไหร่ผลงานของเรามีตังเยอะ้ยถ้าเอาผลงานออกมาเราเราะมองมองเห็นประโยชน์ในการที่จะสร้างแต่ถ้าว่าสร้างจะดีเราไม่เห็นด้วย ถ้าทําต้องทําอย่างนั้นอันนี้ก็คือหลวงตาท่านท่านท่านบอกจากนั้นพวกเราก็เลยได้ต่อมาอีกเข้ามากราบท่านอีกแตเนี่ยทำหนังสือเข้ามากราบเรียนท่านอีกบอกว่าพ่อแม่ผู้จารย์พวกของผมคิดว่าจะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์พ่อแม่ผู้จารย์มีความเห็นว่ายัางไงเราทำลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนีคือชี้แจงถวายให้ท่านท่านก็เออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไปจะไปบอกชี้จุด ชีจุดให้จากนั้นก็เราก็สบายใจเลยสิเกีว่าคงจะได้เริ่มลงมือสร้างกั น, นพอต่อมาประมาณสักอาทิตย์ที่สองอาทิตย์กว่าท่านก็เดินออกไปข้างนอกนะเดินออกไปทางหน้าประตูท่านไปกับท่านท่านอาจารย์ปิว๋วกับท่านผู้กากับไปสองคนพอไปถึงหน้าศาลาใหญ่ท่านก็ชี้เอาจุดนี้แล้วนะนจุดนี้แล้วนะ ที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์คือมันกว้างขวางเหมาะสมอีหรอกตรงนี้จากนั้นท่านอาจารย์ปิ๋วท่านก็เลยเอาฝังเสาปูนซีเมนต์เอาไวน้นะขนาดใหญ่ๆขนาดขนาดต้นแขนนี่มัง้งยาวประมาณเม็ดกว่าฝังไว้พอต่อมารถเฉียวรถชนก้อที่สุดก็เลยเอาเอ า, เอาตอกเหล็กแท่งเหล็กเอาไวท้ทีนี้ให้มันมิดลงในแผ่นดินฝังดินเอาไว้ เพราะมันาโผล่ขึ้นมามันลดชนลดเชียบเนะ่จากนั้นเราก็พอฝังเสร็จแล้วตนี่พรุ่งนี้เช้าลงตาเข้าไปเดินยมกลมอยู่ในป่าพรหลวงลงตาไม่บินทบาทแล้วช่วงนะั้นลงตาก็เดินออกมามาพบอาจารย์ปิ๋วก็ออกไปรับจะมาฉันที่ศาลาตอนเช้านะลงตาก็บอกกับท่านปิ๋ว่ที่เราพูดเมื่อวานนี่นะที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์อะไรก็ตามที่เราพูดนะั้นอย่าเพิ่งทานะอย่าเพิ่งลงมือจนกว่า ได้รับอนุญาตจากเราอีกทีหนึ่งก็ค่อยทําอันนี้คือคําสั่งลงตาขอประกาศให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนถ้าไม่นะั้นก่อนหลวงพ่อไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อันนี้ไปถามอาจารย์ผิวได้นะ เ, เพราะว่าหลวงพ่อก็ทราบข่าวมาตลอดเพราะหลวงพอ่อติดตามในเรื่องนี้อยู่จากนั้นหลวงพ่อก็เงียบละเพราะว่าเมื่อท่านไม่อนุญาตท่านบอกได้ขนาดนี้กับอาละเป็นมงคลมาหามงคลสําหรับลูกสําหรับหลานอย่างมากแล้วนะ พอต่อมาเมื่อท่านร่วงลับดับขันไปทีนี้หลวงพ่อก็เลยถามว่าเราที่ประชุมเพลิงขององคหลวงตานั้นเราจะเอาตรงที่ตรงไหนเราก็พาผู้กํากับกับอาจารย์ปิว๋วไปกับผู้สื่อต่างๆนะไปยืนแล้วก็ไปถามว่าตรงไหนที่หลวงตาที่ชีจ้จุดสถานที่เขาก็ชี้จุดตรงนี้ท่านอาจารย์ปิ๋วกับผู้กำกับบอกว่าตรงนี้ก็เลยได้สร้างเมนตรงนั้นละ่ะ แต่ขยืน่นไปประมาณสักหเมตรบางตรงกลางนะยื่นหน่อยเดียวอันนี้ก็คือบอกกล่าวให้คณนะสัตยายาตโยมทั้งหลายทั้งลูกหลา น, านทั้งหลายได้ทราบที่มาพูดอีกที่วนะ่าทำไมลงตาไม่ให้สร้างเจดีทําไมเราจึงสร้างเจดีทําไมจึงไม่สร้างพิพิธภัณฑ์เลยอันนี้พวกคณะศินก็ดีคณะพระสงฆ์ก็ดีคณะหลวงพ่อก็ดีได้ปรึกษาปารพกันว่าคือเจดีเนี่ยเป็นเครื่องเชิดชูบูชา ผู้ที่สูงส่งในหลักใน พ, พุทธศาสนาคือเป็นผู้สูงส่งคือเจดีสัูปและเจดีสมควรอย่างยิ่งต่อผู้มีผู้ที่สูงส่งคื อ, อถูประหะบุคคลสี่จำพวกคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจทีเจ้าพระหันสาวกพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเท่านั้นที่สมควรจะสร้างสัูปและเจดีแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับเมืองไทยของเรา ก, กับเปรียบเทียบก็บคือเหมือนกับโกรธนะโกรธสาหรับผู้สูงส่งที่จะเข้าโกรธก็มีใครบ้างอันนี้ก็คือผู้สูงส่งในพื้นแผ่นดินไทยอันนี้หลวงพ่อไม่สามารถที่จะพูดได้ก็คือบรรจุที่สูงส่งอันนี้คือพระเจดีย์คือบรรจุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระอรหันต์กษัวกพระเจ้าจากกักรพรรดิอันนี้สมสมควรยิ่งที่จะสร้างสถูปพระเจดีย์ เพนั้นองหลวงตาเขาหนึ่งพวกเราพวกเราก่นเนี่ยคือพระอรหันต์สมควรที่จะสร้างสถุกพระเจดีย์ขึ้นมาเพื่อบรรจุพระธาตุของพระองค์หลวงตาจากนั้นเรื่องเรื่องพิพิธภัณฑ์เรื่องพิพิธภัณฑ์ต้องทำแน่ในเมืองสร้างพระเจดีย์เสร็จเสร็จหรือว่าลงมือแล้วพระิพิธภัณฑ์ก็จะต้องมีการเขียนเขียนลักษณะพิพิธภัณฑ์ออกแบบพิพิธภัณฑ์การออกแบบพิพิธภัณฑ์นั้นอาคารเอาไว้ก่อน เราจะเขียนเป็นโมเดลโมเดียลคล้ายๆกับว่าเนื้อเรื่องสมัยลวงตาเป็นเด็กลงตาทําไร่ทำํำนาอันนี้ก็คือช่วงหนึ่งหลวงตาออกบวชช่วงหนึ่งหลวงตาลงไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นช่วงหนึ่งหลวงตามาสร้างวัดป่าบ้านตาแท่งนี้ช่วงหนึ่งหลวงตาหาทองคําเข้าคลงังหลวงช่วงหนึ่งหลวงตาจุตินิรภายงานพระราชทานเพลิงศพลงตาอีกช่วงหนึ่ง แล้วก็ทายาทของหลวงตาอีกช่วง น, น่แต่นี้มีเป็นช่วงๆเป็นประวัติชีวประวัติของหลวงตาเป็นช่วงๆแต่นี้เมื่อเขียนเสร็จแล้วแต่และช่วงเนี่ยกี่ตารางเมตรช่วงที่หลวงตาเป็นเด็กกี่ตารางเมตรจะใช้เนื้อที่กว้างเท่าไหร่หลวงตาออกบวชกี่ตารางเมตรหลวงตาประยุนกระหลวงปู่มั่นกี่ตารางเมตร หลวงตามาสร้างวัดป่ากี่ตารางเมตรตรงตาหาทองคาเข้าขังหลวงกี่ตารางเมตรให้เข้ามีหุ่นมีหุ่นคีคพึ่งแล้วว่ามีหุ่น เ, เป็นตัวให้เขาว่าเป็นโลบเหมือนอย่าอยู่ในนั้นตอนนี้ในรู้แล้วว่าทั้งหมดนี่มันกี่ร้อยกี่พันตารางเมตรในเมื่อเรารู้ว่ามีกี่พันตารางเมตรเสาจะอยู่จุดไหนแสงสว่างจะลงจุดไหนหน้าต่างจะอยู่จุดไหน จากนั้นเราจึงสร้างอาคารเมื่อสร้างอาคารเสร็จแล้วเขาก็จะไม่บดบังทัศนียภาพที่เรามองเห็นพิพิธภัณฑ์เนีเพราะฉะนั้นเรื่องพิพิธภัณฑ์นี่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความรอบครอบพอสมควรเพราะฉะนั้นขอให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนได้รับทราบตามนี้คือพิพิธภัณฑ์เจดีในสร้างแน่แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นั้นเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วพวกเราก็จะมี สมัยลงตาเป็นเด็กพ่อแม่ชื่อยังไงพี่น้องชื่อยังไงวิธีการทํานาทํำยังไงอันนั้นคือมีประวัติให้ชัดเจนจากนั้นก็ลงตาออกบวชทาไมจึงลวงตาจึงคิดออกบวชออกบวช ด, ด้วยเหตุอันใดอันนี้ก็พวกเราก็จะได้ใส่ประวัติเข้าไปอีกลงตาออกบวชไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ลงตาอยากจะบวชพ่อแม่ขอร้องให้บวชอันนี้ก็เป็นประวัติอันสวยงามหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นแนวทางสําหรับ อนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหนาแต่ได้มุนลงตามาอยู่ไปศึกษาตรงตรงตาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอนี้เออล้วนแล้วจะเป็นชีวประวัติที่น่าศึกษาทั้งนั้นจากนั้นก็ธรรมะของลุงตาเองเออเราจะกันกรองธรรมะลงในแผ่นเออแผ่นหินอ่อนหรือว่าแผ่นหินแกลนิตสลักสีทองให้อ่านให้เข้าใจว่าปฏิปทาของลุงตาทํำยังไงดําเนินยังไง ท่านเน้นหนักเรื่องอะไรท่านได้สําหรับสําเร็จมักสําเร็จผลอย่างไรหลวงปู่มั่นท่านสอนอยังไงครูคบาอาจารย์ยุคนั้นสมัยนั้นท่านมีแนวทางอย่างไรอันนี้ประวัติของหลวงตามีครบเพราะฉะนั้นเราจึงจะเน้นเรื่องเรื่องทำคําสอนของหลวงตาให้มากที่สุดในใ น, ในพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนะี่ยอันนี้คือแนวความคิดนะจากนั้นถ้าเรามาถามว่าเจดีก็ดีพิพิธภัณฑ์ก็ดีทําหน้าที่คนละหน้าที่กัน หน้าที่ของเจดีพวกเรามาถึงวัดป่าบ้านตาแเราก็เข้าไปกราบไปกราบพระธาตุแล้วไปกราบรูปเหมือนในเจดีย์พอกราบล้ำลึกถึงถึงองค์ลงตาลงตามีคุณูปการต่อประเทศชาติต่อพวกเราธรรมะของลงตาอ่านเมื่อไรซึ้งใจเมื่อนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นรู ป, ประทัขึ้นมาทันทีเป็นศีลสมาธิปัญญาชัดเจนที่องค์ลงตาแสดงเอาไว้ พวกเรากราบลำลึกถึงน้อมจิตลำลึกถึงทําจิตให้สงบลำลึกถึงองค์หลวงตาด้วยความสงบในพระเจดีในเมื่อเรากราบพระเจดี JD, สงบจิตสงบใจเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาชมพิพิธภัณฑ์อ่านประวัติขององค์หลวงตาหลวงตาเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงสรุปแล้วคือเจดียสงบสติอารมณ์ลำลึกถึงองค์หลวงตาพิพิธภัณฑ์นั้นคือเจริญปัญญาประเทืองปัญญา ให้แกคณะสิทธิน า, านุศิทธิทั้งหลายลูกหลานต่อไปภายภาคหนาะเพราะนั้นทั้งสองอย่างทำหน้าที่คนละอย่างกันอันหนึ่งสติสงบสติอารมณ์คือพระเจดีแล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็คือเป็นประเชืองปัญญาเพราะนั้นขอให้ที่น้องคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกค น, เ, นเข้าใจตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเจดีขององค์หลวงตาสร้างแน่แล้วก็พิพิธภัณฑ์ทาแน่ แต่หลวงพ่อก็บอกว่าเจดีพิพิธภัณฑ์ของโลงตาเจดีก็ดีพิพิธภัณฑ์ก็ดีจะใช้เงบเท่าไหร่หลวงพ่อบอกว่าเรื่องพระเจดีนั้นเราจะบอกว่าเท่านั้นเท่านี้ยังไม่ได้เมื่อเราเขียนแบบแปลนขึ้นมาแล้วเรากดจ้างว่าจ้างบริษัทมาประมูลกันในเมื่อประมูลกันแล้วบริษัทประมูลกันแล้วราคาเท่าไหร่เราจึงจะพูดได้ ไม่ใช่ว่าเราจะพพูดล่วงหน้าไปก่อนเดีรวก็เหมือนเป็นเหมือนกับชี้โพร่งให้กระลอกอย่างนั้นแหละไอ้เพราะนั้นเรายังไม่อยากจะพูดเพราะนั้นให้บริษัทเขาเป็นผู้คำนวณออกมาแล้วราคาเท่าไหร่แต่เจดีพิพเจดีก็ดีจะใช้หินไว้เขเน ล, ล, ะละ่าทั้งสองชั้นนะชั้นในก็คือหินไม่ใช่หินบางๆนะหินหนานะแล้วก็เข้าไปข้างในเหมือนกับหินประเทศทเขมรอย่างนั้นแหละแล้วก็ข้างนอกก็เหมือนกัน เป็นหินประเทศカメร์เหมือนกันซ้อนกันขึ้นมารอบนอกนะแล้วก็เชื่อว่าของดอีทำดีที่สดุดของดีที่สดุดใช้หินหินราคาแพงที่สดุดแพงขนาดไหนวะเขาว่าแพงกว่าหินไทยสามเท่านะหินไวแคลาลานแพงกว่าหินไทยสามเท่า เ, าเพราะนั้นของดีราคาถูกพวกเราหาได้ที่ไหน ส่วนหลวงพ่ออินไปหาด้วยซี้ว่าของดีราคาถูกนะถ้าของดีแล้วก็ต้องราคาแพงเพราะนั้นของราคาแพงเนี่ยเราต้องเตรียมสตองสตางไว้เนอะขนาดสาญาติโยมลูกหลานครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนแต่ละวัดเนอที่อยากจะทําบุญสร้างพษษระเจดีย์องค์หลวงตาหลวงพ่อว่าประมาณพันล้านครเนีแต่บางคนก็ตำหนิหลวงพ่ออินนี่แหะทําไมหลวงพ่ออินจึงเวอถึงขนาดนั้นทําไมจึงพูดถึงขนาดนั้นหลวงตามักน้อยสันดอด ลงตาท่านไม่ได้ให้ใหญ่โตหัฐานอะไรท่านทํำแบบเรียแบงบ่ายแบบสันโดษทําไมหลวงพ่ออินจะพูดขนาดนั้นหลวงพ่อบอกว่าโอ้หลวงพ่อเผื่อเอาไว้ถ้าคําว่าหลวงพ่อบอกเอ้ยเจดีย์ลงตาลงตามักน้อยสันโดษท่านสอนอยู่แล้วไม่ให้สร้างอะไรใหญ่โตโหฐานทําขนาดสารพระภูมินี่ก็พอแล้วล่ะหลวงพอ่อก็กลัวบาปนะกลัวบาปไม่อะไร พ่อจะไปเปรียบเทียบเหมือนสารพระภูมิได้ยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างโอ่งหลวงตาแค่เพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเพราะนั้นเรื่องท่านล้านหนึ่งเจดีราคาเท่าไหร่เราไม่ทราบพิพิธภัณฑ์ราคาเท่าไหร่เราไม่ทราบศาลาพักศรัทธาญาติโยมมีเท่าไหร่ไม่ทราบและตลอดถึงที่จอรดรถตลอดที่สรน้ำตลอดที่ กำแพงล้อมรอบพระเจดีราคาเท่าไหร่เราไม่ทราบเพราะนั้นการสร้างเจดีหลวงตาหลวงพ่าเออให้ลูกหลานเตรียมเตรียมเงินไปเด้เ อ, อประมาณสักพันล้านเออพพันล้านนี่ก็ถ้าเราจะเปรียบถ้าเราจะว่าไปเมื่อกวามากนะลูกหลานคณะสัทธา ญ, ญาติโยมนะแต่ถ้าว่าคิดถึงหลวงตานะ่ะหลวงตาหาทองคำเข้าคางหลวงลหละเออเป็นทองคำา13าตันกว่านะบตันกว่า แล้วก็ดอลล่าดอลลอีก10ล้านกว่าดอลล่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเดี๋ยวนี้นะประมาณ4ี่เกือบ4ี่0 0ล้านเดูสิจิ้มตัวเลขดูสิ เ, เกือบ4ี่0 0ล้านหรืออาจจะถึง 40,000 ่นกว่าล้านก็ไม่ทราบละเพราะนั้นเราจะหาทุนสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเพียง 1,000 ล้านแพงไปอย่างนั้นใช่ไหมให้ถามพวกเราทุกๆคนนะแพงไปอย่างนั้นใช่ไหม ตามไม่จริงไม่น่าจะแพลแล้วก็พร้อมกันถ้าว่าผู้อะไรก็ตามนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปหลงพ่อไปเห็นพวกกรุงเทพนะญาติโยมกรุงเทพหลวงพ่อยังซึ้งในใจคือมีโยมคนหน่งอายุแปดสิบกวา่าเป็นหมอน ะ, อะท่านป่วยอาการแล้วก็แต่ไมาก่อนท่านก็รับเคารพในองค์หลวงตาอย่างมากแต่ในท่านก็ป่วยพราะป่วยจะ ท, ท่านก็ทําท่านก็ทําพินัยกรรมเอาลูกหลานมาแล้วก็ให้ทําพินัยกรรมเอเมื่อตายไปแล้วสมบัติส่วนนี้ เงินอยู่ในท้องคลังอยู่ในอยู่ในธ น, นาคารนะแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้เออนี่นะหนึ่งล้านบาทนะเออเอาสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเนอะสร้างพระเจดีย์หลวงตาให้ยายเนอให้หมอเนอเอา่าอันนี้เคคือเป็นพี่นายกเออมากกว่านั้นอีกคืนี้มีโยมที่มาฟังธรรมเทศนาของหลวงตามาที่ไหนเขาก็เอาโซเฟอร์มาด้วยมาฟังเทศหลวงตายุงเทพเอ้าไปสวนเย็นธรรมเข้าก็ไป โซเฟอร์นันก็เป็นที่พอใจฟังธรรมเทศนาหลวงตาแต่นี้นเขาก็เป็นมะเหลงกระทันหันแต่พอไปตรวจได้ที่ไหนเป็นเป็นระดับสีแล้ว เ, เขาก็สั่งเจ้านายเขาก็สั่งลูกเมียเาว่าถ้าเมื่อผมตายไปแล้วอขออย่างไรยังไงก็ในงานศพของผมให้นำเงิน5 0าอบาทไปร่วมสร้างเจดีย์องค์หลวงตาด้วยเถิดให้ให้ผมให้ผมด้วย โอหลวงพ่อได้ยินแล้วโอ้โหเงินห้าร้อยบาทตัว น, นั้นนะ่ะเหมือนกับเงิน10ล้านเลยเพราะเหตุไรเพราะน้ําใจของเขามีศรัทธาต่อองค์หลวงตาอย่างมากๆเขาถวายถึงเขาถึงเขาจะจากโลกไปเขาก็ยังไม่ลืมองค์หลวงตาเพราะเขาได้ฟังธรรมเทศนาและเขาได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีในธรรมเทศนาของหลวงตากว่านั้นขอฝากไว้กับพวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนินครูบาอาจารย์ทุกๆองค์เน้อ เจดีของลงตานสร้างแน่แต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราต้องระวังต้องระวังคําพูดแต่ใครก็ตามพูดอะไรก็ตามถ้าพูดไม่ดีนะหลวงพ่อไปพูดที่สวนแสงธรรมนะหลวงพ่อว่าพวกเรานะให้ระวังปากนะลูกศิษย์ลูกหาองค์ลงตาใครจะพูดอะไรหลวมปากก็พูดไปเลยพูดไปรับผิดชอบพูดไปเรื่อยทําให้หมู่พวกเพื่อนแตกแยกสามัคคี ไม่เป็นไปเพื่อความสร้างสารรค์ไม่เป็นไปเพื่อความ เ, เป็นศิลเป็นธรรมพูดไปแล้วไม่รับผิดชอบอทําให้หมู่เพื่อนมีความรักแหวงแขงใจแตกแยกสมคีระวังนะหลวงพ่อบอกว่าถ้าใครทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นออกมานะระวังบาปมะเร็งกินปากหลวงพ่อว่านะระวังมะเร็งกินปากเอพอาะพูดไม่ดีอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ฉาบได้แช่งนะเพราะหลวงตาเนี่เป็นพระรหันต์ถ้าใครจะพูดอะไรกับองค์หลวงตาต้องระวัง ต้องพูดเป็นศีลเป็นธรรมต้องพูดโดยปนมือเจ้ากอนเนี่ยค่อยพูดถึงองค์ลงตาเพราะลงตาท่านไม่ได้มีอะไรลงตามีแต่พระคุณสำหรับลูกสำหรับหลานการนับถืญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าทุกองอ่ ะ, เ, อะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดอะไรเราก็เขารบเะ้ากอดแต่หลวงพ่อไม่ได้ชาบไปแช่งนะถ้าใครก็ตามไปจับไฟคนนั้นร้อนเองน ะ, ะไม่ได้ชาบเราให้มันร้อนแต่มันร้อนเองอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครพูดไม่ถูกมันก็เป็นบาปในปากของตนเองเพราะนั้น ต้องระมัดระวังนะในการพูดในการกล่าวอะไรก็ตามต้องรับผิดชอบในการพูด อ, อย่าให้มันกระทบกระเทือนอพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาพูดอะไรให้สร้างสรรค์ให้มีเมตตาต่อกันให้รักกันเอาไว้พี่น้องเอพราะพวกตาในี่เป็นร่มโพร่มใส่ใเป็นธรรมเทศนาที่เปิดธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพวกเราไปฟังแล้วก็ซึง้งอกซึ้งใจทุกวี่ทุกวันไม่ใช่หรือการพูดแล้วกัการ ข่าวครั้งนี้ก็มากมายอันดับแรกก็คือตอนบ่ายสี่โมงเนอะทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเจษเดจแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัต์ที่อยู่วัดบวรผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุศกรรมการมหาเทศสมาคมอีกเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายธรรมยุศอย่างสุดสูงสุดลองจากสมเด็จประสังขราชก็ไม่น่าจะผิดนะ ท่านจะได้มาเป็นประธานรับผ้าป่าเพื่อหาทุนถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชร้อยพระสันสาเพื่อซื้อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์พยาพระหขนพลพระยาหะจังหวัดกาญจนบุรีขาดจุเงินอยู่ประมาณ200รกว่าล้านนะเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์อันนี้นก็คือส่วนหนึ่งใ่คนนั้นขอพวกเราคณะทุกท่านนะอย่าลืมนะแต่ตอนนี้ไปพ่อเจ้าในายใหญ่เจ้า คณะจังหวัดอุดรของเรามาแทนหลวงปู่หลวงพ่อก็พูดพูดพอพูดยังไม่รถมันกําลังวิ่งอยู่ก็เลยยังไม่ได้พาหมู่พาเพื่อนกราบเจ้านายของหลวงพ่อเหมือนกันเอาตอนนี้ไปท่านมาแล้วพวกเรากราบเจ้านายซะก่อนนะทีเ น, นะลูกหลานทุกองนะเอากล่าวนะคราบ